ในทางจิตก็น้อมไปเพื่อดับไม่เหลือส่วนพวกเราสมัยนี้มัวแต่โกลาหนตามหมอกันมาจนเต็มห้องก็มีให้กินยาให้กินอาหารจีดยาต่างๆนาน า, นาทําให้พะงับพะงอนหาความสงบไม่ได้เนี่ยแหละทําให้ไม่รู้ว่าจะตายอย่างไรทําให้ไม่รู้ว่าจะตายหรือจะอยู่อย่างนี้มันพะวะพะวงกันไปหมด